วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันพระแรมสิบห้าค่เดือนหกตรงกับวันที่ยี่สิบสาพุทธศักราชสอง2ันห้า้อห้าสิบสองเป็นวันปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนาคือการฟังพวกเราท่านทั้งหลายต้องฟังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังแต่ละครั้งเราก็ต้องได้นำมาคิดนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแต่ช่วงก่อนหน้านี้ผมเอง ก็ได้นํามาธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขามาเปิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาฟังร่วมกันพอมาช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้เปิดผมไม่ได้เปิดมีแต่ผมพูดแนะนําสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนตามความคิดความเห็นของผมที่พวกท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษา ทำไมทำใม่เพราะเหตุว่าเรามีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอยู่ในวัดของเราอยู่แล้วและธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาที่ผมนํามาเปิดให้หมู่วกเพื่อนได้ฟังได้ศึกษาก็เราเปิดเป็นประจำอยู่ในสถานีอยู่แล้วตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้า เป็นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติที่พวกเราจะนำมาเปิดแต่ละครั้งก็จะต้องนำธรรมเทศนาที่เปิดในสถานีวิทยุเอามาเปิดให้พวกเราฟังอีกอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะพวกเราเข้ามาศึกษาเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเป็นพระอยู่ด้วยกันเป็นพระอยู่แล้วเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาอยู่แล้ว จะ ต, ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเวลากลางค่ําคืนดึกสงัดเราไปนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยเปิดฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดวิทยุฟังเพราะวิทยุของเราก็อยู่ในวัดอยู่แล้วฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจฟังแล้วก็นํามาวิเคราะห์จากนั้นก็นํามาปรับปรุง การกระทําของพวกเราความคิดของพวกเราการพูดของพวกเราที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นผมว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังอย่างมากเว้นเสียแต่พวกท่านทั้งหลายไม่ให้ความสนใจไม่ได้สนใจมีแต่คิดปล่อยปะละเลยเอ่อละเหยลอยลมแล้วก็มีความจําเป็น วันพระหนึ่งก็มาอาศัยผมได้ผมเองผมพูดให้ฟังฟังด้วยความจำใจฟังด้วยความไม่สนใจจำเป็นฟังก็ได้ฟังไปอย่างนั้นฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังด้วยความไม่ใส่ใจฟังด้วยความไม่สนใจฟังไปแล้วก็ไม่ได้วินิจวิเคราะห์การพูดการได้ยินได้ฟังนั้นมีประโยชน์มากน้อยยังไงแค่ไหน ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นอย่างที่ผมว่าเนี่นะพวกท่านทั้งหลายจะมาอยู่ในวัดของผมก็ไม่แพ้หมูปา่าเก้งกระรอกกระแตลิงข้างบางชนีอยู่ในวัดของผมมันก็อยู่ไปอย่างนั้นเป็นวันๆไปไม่เกิดประโยชน์อย่างมากเสียเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้เป็นอย่างนั้นเข้ามาอยู่ตาดูสังเกต ใช้ปัญญาหูได้ยินอะไรสังเกตฟังวินิจวิเคราะห์ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรแต่ละวันเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องวินิจวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าจะให้ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็พูดแนะนำไปในสิ่งที่ จะเกิดประโยชน์ท่านเขาพูดไปแต่บางสิ่งบางอย่างใจของเรากิเลส ข, ของเราความนึกคิดของเรามันไปอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองเราจะเอาชนะจุดไหนเราลุ่มหลงมัวเมาเรื่องอะไรจิตใจของเราปล่อยนอกปงฟุ้งซ่านเรื่องอะไรแต่ละวีดแต่ละวันแต่ละ ยุคแต่ละการแต่บางครั้งใจของเรามันออกนอกรูนอกทางเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีบางทีเป็นเดือนก็มีพิตกวิจารณปรุงฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นใครจะไปรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรตัวของท่านเองนะะั่นแหะเป็นผู้รู้เป็นผู้ได้รับทุกขหรือได้รับสุขในการประพฤตปฏิบัติเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องศึกษานะมาแล้วเพื่อการศึกษา มาเพื่อฟังค้นคว้าจากนั้นก็นำมาทดลองประพฤติปฏิบัติพยายามห้ามคิดห้ามใจของตนเองอย่าไปปล่อยปะละเลยอย่าไปตามอารมณ์ของตนเองถ้าปล่อยตามอารมณ์หรือตามใจของตอนเองนั้นพวกเราไม่ต้องมาบวชมาอยู่ทาไมอยู่เป็นฆราวาสญาติโยมอย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรอถ้าจะปล่อยปะละเลยปล่อยใจอย่างนั้น อันนี้เข้ามาเราเข้ามาเพื่อจะเป็นพระที่ดีจะเป็นคนที่ดีจะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจึงได้มาอยู่ในป่าดงพงไผ่ยอย่างนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะ ป, ปล่อยปล่อยป่าละเลยเหมือนกับฆรวาดญาติโยมเขานั้นไม่ถูกต้องเราควรจะพยายามเข้มงวดกวดขันกับตนเอง ต้องพยายามตรวจตราในความคิดของตนเองในการกระทําของตนเองในการพูดของตนเองคือบางสิ่งบางอย่างอเราอยากจะฉันไม่ฉันอยากจะไปไม่ไปอยากจะพูดไม่พูดอยากจะคิดไม่คิดนั่นแหละจึงจะเป็นพระที่ดีได้คําว่าไม่คิดและไม่พูดไม่ทําอย่างนั้นอะไร เพราะมันผิดต่อหลักธรรมวินัยผิดต่อทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเราจะไม่คิดเราจะไม่ทําเราจะไม่พูดอ่าเราจะไม่อยู่ไม่กินอ่าที่สิ่งไหนที่มันผิดถ้ามันสิ่งที่มันถูกแล้วไม่อยากคิดก็ บ, บังคับให้คิดไม่อยากพูดก็บังคับให้พูดไม่อยากทําก็บังคับให้ทําทําไมบังคับยังไงให้คิดเรื่องอะไร ให้คิดบริกรรมพุทธโธพุทธโธบังคับให้มันคิดใ ห, ให้คิดพุทโธบังคับให้มันพูดก็ออ า, อารหังสมาสาวะเขาตัสุปฏิปัโนโนโมตตะก่าวคําไหว้พระสวดมนต์ไม่อยากจะพูดก็ให้มันพูดอบังคับตัวเองเอให้สาธยายให้สายสายทายทำอันนี้ไม่อยากจะทําก็ให้ทําก็คือพยายามเดินจงกรม ก้าวเดินภาวนาพุโทโธพุโทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธในการเคลื่อนไหวนั่งกัศมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่อยากทํบาบังคับให้ทำํำฮะในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยแต่มันจะออกนอกนอกลูนอกฐานนะพยายามห้ามอันไหนไม่ถูกตามหลักธรรมวินัยแล้วห้ามไม่พูดไม่ทําไม่คิด อ, อันนั้นจริงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้แต่ว่าพวกเราคิดตามอาเภอใจทาทาตามอาเภอใจพูดตามอาเภอใจอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะคิดอะไรก็คิดอันนั้นจะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบไม่ได้เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูตัวของท่านเองตัวของท่านจะรู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดเราคิดไปตามหลักธรรมวินัยไหม เราทาตามหลักธรรมคำสังสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมวินัยไหมเราพูดตามธรรมคาสั่งสอนหรือตามหลักพระธรรมวินัยไหมตัวของเรานนั้นจะเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะนั้นเให้ตรวจดูตนเองตรวจตราดูตนเองถ้าว่าเราตรวจตราดูตนเองแล้วนั่นหละเราจะเป็นพระ ที่สมบูรณ์ขึ้นทีละน้อยแตน้อยละน้อยจนเป็นพระที่สมบูรณ์แบบนะอันนี้คือการเป็นอยู่อ่าถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหมวดศีลนันะนะ่นแหละหมวดศีลคือการเป็นอยู่อหมวดสมาธิกระผมก็เคยแนะนําสั่งสอนพยายามนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบการสร้างสั่งสมคุณงามความดีนั้นจะเอาอันไหนมา ปฏิบัติปฏิบัติเลยก็ได้จะมารักษาศีลก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้จะเดินปัญญาก็ได้สรุปแล้วก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนะนะั่นแหลอคือจุดใหญ่ให้เห็นสภาพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะ เ, เราแก่และอีกไม่นาน ต่อไปภายภาคหน้าไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนละ่ะชีวิตของพวกเราจะต้องถึงอวาสานไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีไปพ้นไปได้สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้อยู่เสมอคิดไว้อยู่เสมอให้เป็นเนืองนิดเลยละ่ะทุกลมหายใจเข้าออกก็ยิ่งถูกกับพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่คิดจะเลยจิตใจของเรา ออกนอกลู่นอกทางเอิอและเหยือลอยลมถ้าว่ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะทุกข์ใจอย่างมากทุกข์ใจเพราะเหตใจเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนมันมาเจอมาพบมาถึงกับเราเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ตามไม่จริงทุกคู่ทุกคนทุกลูปทุกนามจะต้องพบจะต้องเจอ ทุกคู่ทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ให้พวกเราทาใจไว้ให้คิดเอาไว้ให้ภาวนาเอาไว้ให้เข้มแข็งเอาไว้เมื่อพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลอยู่กับตัวเองแล้วนั่นละท่นีเราจะเข้มแข็งขึ้นมาเองเข้มงวดกวดขันตัวเองจากนั้นก็ดูใจดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจ ไม่หลงกายไม่หลงใจไม่หลงใจไม่หลงกาย เ, าเห็นรู้เห็นตามความกินทั้งกายทั้งใจทั้งใจทั้งกายนั่นแหละทีนี้มันปล่อยวางที่ไหนใจมันปล่อยวางกายผอ้นั้นสูงก็ปล่อยวางกระทั่งใจตัวเองอีกไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจทำใจให้ปล่อยวางทำใจให้ว่างาไม่ยึดไม่ให้ความสําคัญอะไรทั้งหมด เห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้นึกคิดแต่สักว่าจะนึกคิดเท่านั้นเองเอไม่มีอะไรที่อยู่ในจิตใจนั่นแหละทีนี้ถึงการประพุทธปฏิบัติธรรมถึงจุดนั้นล่ะทีนี้ถึงใจถึงใจตัวเองปล่อยวางที่ใจตัวเองต่อไปใจของเราอปล่อยเบื่อหน่ายคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะแต่ไม่ความมายึดมั่นถือมั่นน่นะความมายึดมั่นถือมั่นดูด้วยตัวเองนะมันจะไปให้ความให้ความสําคัญอะไรสช่ไหมน่ยนะสรุปแล้วมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ในที่ไหนนะพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ที่ใจให้ตัวตาดูที่ใจที่มันรุ่มหลวงมัวเมาอให้ความสําคัญ เรื่องกิเลสราคาโทสะโมหะออกมาจากใจทางนั้นถ้าภาวนาเข้าไปดิ่งเข้าไปหาใจเรื่องทางหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ า, าให้โทษให้คุณก็อยู่ที่ใจถ้าว่าเรารู้เห็นทั้งความคิดความนึกคิดของตนเองทุกระยะทุกระดับคิดออกมาแล้วมันมีกิเลสราคะโทสะโมหะ กิเลสราคะโทสะออกมาด้วยไหมกับตัวใจที่มันคิดนั้นๆเรารู้ทั้งแนวความคิดมันคิดไปในทางกิเลสหรือคิดไปในทางโทสะอย่างนี้เราก็รู้ได้ เ, เพราะอะไรเพราะความมันหลงเนี่ยมันหลงสัก่อนมันยังไปทางราคะจึงไปทางโทสะนะมันโมหสะสัก่อนมันจังหลงผลในสุดดิ่งเข้าไปจนถึงตัวโมหะมันหลงอะไร ทำไมมันจึงหลงแม่มันว่าของอย่างนั้นพิเศษวิสโสใช่ไหมของอย่างนั้นเป็นจริงจังใช่ไหมของอย่างนั้นไม่เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมเ อ, อถามเข้ามาหาตัวหลงเถีย อ, อตัวหลงคือมาเมื่อถาม เ, เข้าไปแล้วมันจะรู้เองเนีเ้ยอรู้แจ้งเห็นจริงเองเออใช่เ อ, อเพราะเหตุนั้นเองเพราะเราให้ความสําคัญเองเราจึงหลงมัน น, นี่ธรรมะ ทำคำสั่งสอนอันลึกซึ้งแล้วไม่ไปที่ไหนนะถ้าพูดธรรมะถ้าพูดไปที่ไหนพูดไปถ้าไม่เข้าถึงใจแล้วไม่เข้าถึงตัวผู้รู้ไม่เข้าถึงตัวนามธรรมจิตวิญญาณแล้วไม่ถูกจุดขวานาขวาหลังคํามซ้ายําขวาไปอย่างังนะแต่เข้ามาถึงจุดนี้นั่นแหถึงจะตีผิดตีถูกตีถูกตีผิดับ กิเลสมันก็ยังขยาดขยาดเหมือนกันเพราะเรารู้จุดของมันอู่ของมันอยู่แล้วเนี่ยยิงถากไปยิงถากเมาเหมนกอนพิจรารณาไปพิจรารณาถากซ้ายถากขวาถากหน้าถากหลังอีกสักวันหนึ่งมันเกิดพอเราเห็นแล้วกนกมันลงได้อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พานกกิเลสในจิตใจของท่านนั่นแหะพวกเราอีกสักวัน ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจนะมีความมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจพยายามตรวจตราดูให้สม่ำเสมอมรรคผลนิพพานก็อยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าว่าพวกเราปล่อยป่าละเลยอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันเออและเหยือลอยลมเป็นวันวันพิจารณาถึงร่างการ่างกายก็ยังไม่เห็นร่างกายไม่ต้องพูดถึง จ, จิตใจขนาดมองร่างกายตัวเองก็ยังเห็นว่าเป็นของ จีรังถาวรสวยงดงามจากนั้นก็ลุ่มหลงกับโลกโหโบกนะกับปลุกเสียงกิ่นรสสัมผัสซื่อเสียงเรียงนาำลาบยศชนเสริญไปลุ่มหลงกับเงินบาทเงินสตังของใช้ไม้สอยแย่งกันอยู่อย่างนั้นเราจะไปเห็นธรรมได้อย่างไรถ้าว่าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอริเป็นศัตรูของเราแล้ว มันมองไม่เห็นนะถ้าว่าเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นของดีของดีในจิตในใจแล้วมันจะมองไม่เห็นธรรมนะผู้ที่จะเห็นธรรมได้เนี่ยต้องมองเห็นสิ่งเหล่านั้น เ, เป็นของไร้คุณค่าไร้ประโยชน์มันไม่มีความหมายสำหรับเราอีกสักวันหนึ่งใครก็ตามไปให้ความสำคัญ พออีกชัก่วัตหนึ่งพอถึงวันจุดจบแล้วแบ่มือทั้งนั้นเห็นไหมใช่ไหมใจใจใช่ไหม เ, เห็นเท่าเก็บหอมลอมริบไว้คิดว่าตัวเองจะใช่จะสอยต่อไปนานเท่านานผลที่สุดกัแบ่มือทั้งนั้นใช่ไหมใจใจเคยเห็นไหมใจพวกเราถามใจของเรานะไม่ต้องถามคนอื่นหรอก อันนั้นคือเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นเท่านั้นเองให้ถ า, ถามใจของพวกเราถ้าพวกเรารู้แจ้งเห็นจริงในจิตในใจแล้วนั่นละ่ะมรรคผลนิพพานความบริสุทธิ์หุดพ้นก็อยู่ในจิตในใจคือความไม่หลงนั่นะเมื่อไม่หลงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางจิเลสราชโทสะโมหะออกจากจิตใจใจบริสุทธิ์ผุดพองแล้วใจเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมแล้วใจไม่ ใจวันไว้กวยแขว่งนอ่นใจเป็นสแตนดาร์ดใจเป็นมาตรฐานอใจไม่ลุ่มหลวงโมเมาอใจรู้แจ้งเห็นจริงอทุกจริงทุกอย่างรอบการรอบขานทั้งอดีตทั้งอนาคตอทางปัจจุบันรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ทั้งนั้นนั่นแหละมักผลในพานมันอยู่จุดนั้นนะอเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่กทานนะ ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจประพุทธปฏิบัติถ้าอยู่ด้วยกันก็ให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่จากนั้นก็ให้ปฏิบัติให้ภาวนาอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งภายนอกจนเกินไปให้ดูกายให้ดูใจให้ดูใจให้ดูกายแต่ละวี่แต่ละวันให้หาโอกาส ให้หาจังหวะให้หาโอกาสให้มากที่สุดในการประพุทธปฏิบัติในการมว่สุ่มคุยกันก็มีเป็นบางครั้งบางการการดูด้วยกันก็ต้องมีการทําความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องคุยกันบ้างก็มีธรรมดานิดๆหน่อยๆแต่อย่าไปหาคุยกันจนเอาเรื่องโลกสงสารมาพูดสนทนาปารบ ก, กันจิตใจมันปุงฟุ้งไปทางโลกอยู่แล้วก็ยิ่งเอาทางโลกมาเสริมเข้า ลืมกระทั่งผ้ากีวรของตนเองผ้ากาสาวพัดลืมกระทั่งศีรษะของตัวเองว่าเราปุงผมลวผมยาวอผลที่สุดก็เลยไปเป็นโลกไปหมดเลยใจออกไปทางโลกแล้วมันร้อนนะั่นทีนี้นะมันหาความสงบลมเย็นผ้าสุกไม่ได้น ะ, ะเพราะตัวเองไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยไม่ได้ชำระ ก, กายวาจาใจของตนเองจากกิเลสโลภโกรดหลงนะ มีแต่ร้อนนะ่ะเจนิ่เผาตัวเองเผาใจของตัวเองจากนั้นก็ร้อ น, นะในทุกเลยเจนิ่งเพราะมันทุกข์ขึ้นมากันนั่นแหละอจะบ่นหาใครเพราะตัวเองไม่ปรับปรุงแก้ไขถ้าตัวเองปรับปรุงแก้ไขแล้วนะความสงบร่มเย็นเป็นสุกลึกๆถึงจะไม่มีอะไรก็บลึกๆในจิตในใจพเพราะพอะไรเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงเอตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถึงเราจะทำยังไงเท่านั้นจะทำยังไงมีแต่ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นนะแล้วก็เป็นจริงยังไงกับเป็นจริงอย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นมาอย่างนั้นเมื่อเราไปแล้วมั็เป็นอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นโลกนีมีแต่เราเป็นหลงมันเท่านั้นเองความหลงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรา ทำไงจึงจะชำระความหลงของเราจากใจให้ได้อวิชชาปั จ, จยาสร้างฆ่าราตัวนี้อวิชชาคือความหลงความหลงมัวเมาเมื่อมีอวิชชาจะเนี่ยเป็นปัจใจใช่ไหมจนถึงโศกปริเทวทุกโทมณฑุขพอเหตุไรพอออกจากความหลงทางนั้นเพราะนั้นให้เราจาะเข้ามาหาตัวนี้แหละอย่าหลงยจะทํายังไงจึงจะไม่หลงถ้ารู้เราก็ไม่หลงเท่านั้น จะเราจะรู้ได้ยังไงแต่ก็ตามแนวแถวที่มักคะปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมานี่แหละที่จะเข้าไปหาจุดที่จะไม่หลงคือมักคะเป็นหนทางแปดอย่างสมาธิิเป็นเบื้องต้นนะตอนนี้ไปนั่งสมาธินานาที่นี่นะ